ก่อนหลวงพ่อนะสามสี่เดือนถึงไปหาครูบาอาจารย์ครั้งหนึ่งต้องไปทําการบ้านก่อนแล้วทำการบ้านมีการบ้านแล้วค่อยไปส่งช่วงไหนไปเรียนนะแล้วก็เวน้นเอาเวลาไปภาวนารู้สึกพวกเราฝ้าวัด น, นะ <c oughs> <c oughs> เจอเรื่อยๆต้องเวลาภาวนาให้เยอะๆใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากๆนะยุ่งกับคนอื่นน้อยๆดูตัวเอง ภาวนาทั้งวันเลยหลวงพ่อภาวนาก็ตอนเป็นโยมเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ไม่ถอยนะตั้งแต่ไปเรียน 23. ามกุมภาห้ตั้งแต่วันนั้นเลยไปเรียนจากหลวงปู่ดูลแล้วก็ตั้งแต่ลาท่านมาขึ้นรถไฟนะดูมาตลอดหัดดูดูไม่เป็นก็หัดดูไปเรื่อยนะไม่รู้หลักหรอกครูบาอจารย์สอนสอนนิดเดียวบอกให้ดูจิตตัวเองไม่บอกวิธีการไม่บอกอะไรทั้งสิ้น เราต้องหัดเอาค่อยๆสังเกตค่อยๆเรียนรู้ไปนั้นใช้เวลาส่วนมากที่จะเรียนรู้ตัวเองลองผิดลองถูกอยู่แต่ส่วนมากผิดนะไม่ถูกเพทีเลยไม่มีลองถูกเพทีลองทีไรผิดทุกทีแหละจนได้หลักอย่างหนึ่งนะว่าการภาวนาเนี่ยถ้าทำเมื่อไหร่ก็ผิดเมื่อนั้นนะตรงที่มันถูกจริงๆปิ๊งจริงๆนะตรงที่ไม่ได้ทำนะนะั่นแหละ ไม่ได้ทำแต่สติสมาธิปัญญามันทำของมันขึ้นมาเองงั้นเราไม่รู้หรอกว่านาทีไหนขณะจิตไหนที่จิตมันจะหยุดความปรุงแต่งหน้าที่เราต้องรู้ตลอดเวลานะเท่าที่ทาได้เลยเวลาที่เราทำมาหากินต้องใช้ความคิดมั น, มนดูไม่ได้อะ น, นั้นต้องยกเว้นไหมในเวลาที่เหลือให้คอยรู้ทันจิตใจของเราตลอดไปยขยับเยืนเคลื่อนไหวรู้นะ เป็นสุขเป็นทุกข์ก็คอยรู้เอารู้เอ า, เ อ, าอย่าอย่าละเลยเราไม่รู้เลยนาทีทองจอกเกิดขึ้นเมื่อไรต้องเตรียมพร้อมเสมอแต่ว่าภาคเพียรดูถ้าเป็นแทบตายนะไม่เกิดหรอกไอตอนที่มันจะเกิดมัไม่ได้ตั้งใจหลวงพ่อเลยเขียนไว้ในวิถีเล่มสองนะเรื่องโลภเจตนาความตั้งใจที่เจือด้วยโลภอยากปฏิบัติอะโลภเจตนาเป็นชื่อของกรรมนะ คือการกระทํากรรมมีเจตนาคือตัวกรรมนั่นเองทำกรรมฐานนั่นแหละตัวดีทั้งแหละถ้าเรามีโลภะที่จะทํากรรมฐานคือทําไปด้วยความหวังว่าเราจะได้อะไรมาถ้าคิดว่าจะทําเพื่อให้ได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งนะที่ดีที่วิเศษเช่นอยากได้มรรคผลนิพพานอยากได้ธรรมะอยากได้ความสุขความสงบอยากได้ความดีนี่ เรียกมีโลภะเจตนาแล้วก็ทําขึ้นมามันปิดกั้นเราไว้จากมรรคผลนิพพานนะปิดกั้นเราไว้เพราะมันคือความปรุงแต่งฝ่ายดีความปรุงแต่งฝ่ายดีนี่ตัวสําคัญในวิถีสองไม่พูดเรื่องความปรุงแต่งฝ่ายชั่วนะเพตื้นไปแต่ความปรุงแต่งฝ่ายดีนี่ตัวร้ายเลยมันทําให้เราหลงภาวนาหลงปฏิบัติเราคิดว่าต้องทําอย่างนั้นถึงจะดีทําอย่างนี้แล้วจะได้คิดแต่จะเอา แทนที่เราจะคิดว่าการปฏิบัติคือการเรียนรู้ตัวเองนะจนเข้าใจตัวเองแจ่มแจ้งแล้วปล่อยทิ้งนะไม่ใช่เอาไว้ไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะเอาแต่ภาวนาเพื่อจะวางแต่ไม่ใช่น้อมใจให้วางนะอยู่ๆก็น้อมใจเข้าหาความว่างนี่ใช้ไม่ได้เลยในฝ่ายเถรวาทเขาไม่ได้สอนนะนี่น้อมเข้าหาความว่างพวกเรารุ่นหลังๆชัดเป็นเยอะแล้วหลวงพ่อเห็นภาวนาบางทีเยอะแยะเลยนะภาวนามุ่งไปหาความว่าง อย่าไปหามันนะอย่างฝ่ายเทราวาสเราสอนให้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมไม่มีสอนให้รู้สุญญตาฝ่ายมหายานเองหลวพ่อก็เพิ่งไปอ่านเจอพระสูตรมีพระจีนท่านส่งพระสูตรมหายานให้อ่านสนุกดีเหมือนกันของเขาก็มีดีเหมือนกันนะเขาพูดเหลืองถึงพระองค์หนึ่งชื่อพระธรรมมาแต่ว่าก่อนพุทธเจ้าเหล่านี้เป็นสมัยพุทธกาลก่อนๆพระองค์หนึ่งชื่อพระธรร ม, มา มีสุญญาตาทิฏฐิสุญญาตาทิฏฐิคือคิดว่าถ้าทุกอย่างว่างเปล่ากายใจว่างเปล่านี่ก็พ้นทุกข์แล้วไม่ต้องทำอะไรหรอกทำว่างเปล่าเวลาพูดก็พูดเรื่องสุญญตาเวลาสอนก็สอนเรื่องสุญญตานะตัวเองก็อยู่กับสุญญตาแล้วก็โจมตีพวกที่บอกว่าทำทานถือศีลภาวนาเนี่ยบอกโจมตีบอกพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอ้อมค้อมต้องสุญญตาถึงจะดี บอกว่ามิจฉาทิฏฐิตัวนี้เรียกว่าสุญญตาทิฏฐิคัมภีร์เทรวาสไม่มีนะคำนี้สุญญตาทิฏฐิแต่พวกเรารุ่นนี้เริ่มมีสุญญตาทิฏฐิเรียนรู้อ่านสุญญาตาส่วนใหญ่อ่านของท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วไปแปลผิดอาจารย์พุทธทาสไม่ได้สอนให้ทําสุญญตานะอาจารย์พุทธทาสสอนให้ทําอานาปนสตินะคนละเรื่องเลย หลวงปู่ดูลก็ไม่ได้สอนให้ดูสุญญตาหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรคนั่นคำภีทั้งฝ่ายเทรวาสนะฝ่ายมหายานนะไม่ได้สอนให้ดูสุญญตาสักคำพีเดียวเลยเนี่ยเราต้องคอยนะสร้างบารมีของเทรวาสก็สร้างบารมี1ิอย่างมหายานมีบารมีหอย่างมันลนหลนไปบ้างนะเดินทางไกลมันเลยตกไปบ้างในเรือ6อย่าง รวมความแล้วก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญาขาดไม่ได้ต้องมีต้องทําต้องสร้างให้ให้ครบทุกอย่างนะใช่ถือว่าจเจริญปัญญาอย่างเดียวเอาตัวรอดจเจริญปัญญาถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิล้วก็ใช้ไม่ได้เลยปัญญาไม่เป็นปัญญามหาโจรขึ้นมาสมาธิก็เป็นสมาธิเหลวไหลนั้นศึกษาต้องศึกษาให้ครบนะหลวงพ่อเขียนไว้แล้วเรื่องวิมุตติมรรคไปอ่านเอาเองเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องศีลเรื่องจิตเรื่องปัญญา การปฏิบัตินให้ศึกษาไม่ใช่ให้ทำสิ่งที่ได้มาคือความรู้จริงรู้จริงในกายในใจแล้วปล่อยวางสิ่งที่ได้มาไม่ใช่ความสุขถาวรความสงบถาวรความดีถาวรไม่ใช่การทํากายทําใจนี้ให้มีความสุขถาวรได้กายกระใจเป็นทุกข์นะกายกระใจของพระอราหันต์ก็เป็นทุกข์นะไม่ใช่เป็นสุขพระอราหันต์ปล่อยวางกายวางใจได้ต่างหากถึงได้พ้นทุกข์ฉันใช้คำว่าพ้นทุกข์นะ พ้นจากทุกคือพ้นจากขันได้นั่นเราต้องคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปเรื่อยๆ เ, เรียนรู้วันหนึ่งมันแจ้งขึ้นมามันวางปล่อยมันวางไม่ได้เรียนเพื่อจะเอาไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาหลวงพ่อแต่ก่อนก็อยากได้มรรคผลนิพพานนะตอนนี้ไปภาวนาอยู่วังน้ํามอกภาวนาที่วังน้ํามอกตอนเช้าเช้าเข้าไปในโรงครัวเขาเห็นมีตู้หนังสือเก่าๆอยู่อั น, น ที่ฝุ่นท่วมเลยในครัวเปิดดูมีหนังสือจันมหาบัวชื่อเข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรมเอามานั่งดูกินข้าวแล้วมานั่งดูภาวนานานแล้วมันเมื่อยมันเหนื่อยนะหนังสือมานั่งดูเล่นอ่านไปอ่านไปอ่านไม่กี่หน้านะใจมันสอนขึ้นมาไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกจิตเขาบารรลุของเขาเอง แต่อยู่ๆจิตจะบรรลุได้เองไหมไม่ได้ถ้าอยู่ๆจิตบรรลุได้เองนะจิตหมาจิตแมวก็นิพพานหมดแล้วนะ <ử. S 1> เราต้องมีการลงมาเรียนรู้ลงมาในกายในใจนะตัองต้นมีศีลไหมมีความตั้งมั่นของจิตใจจดจ่อในการเรียนรู้กายรู้ใจไม่ลาเลยไม่หลงลืมพอรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งจิตมันรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งจิตมันบรรลุมรรคผล น, นิพพานเองไม่มีใครทาให้ได้นะมรรคผล น, นิพพาน อย่างอย่างที่ตั้าพยายามทาเนี่ยมันก็ทำไม่ได้หรอกยังทาอยู่รู้ออกไหมตั้มรู้สึกไหมว่าภาวนาจนถึงวันนี้นะตั้งแต่วันที่รู้ว่าไม่ใช่พระอริยะนะจนถึงวันนี้ยังไม่หายเลยเออยังไม่หายให้รู้ทันลงไปนะใจยังไม่หายบอบช้ำ <c oughs> ยังอยากดินน้นรนอืมอืมใช่ เออดีที่รู้ทันนะรู้ไม่ทันจะแย่เลยภาวนาจิตมันไม่ได้ต้องการพ้นทุก์มันต้องการความรู้ไม่ได้ต้องการปัญญาด้วยนะความรู้กับปัญญาพล่านกันนะมันต้องการความรู้เพราะงั้นพอมันเรียนเยนไปภาวนาไปพอไปเข้าใจตรงนี้นะรู้แล้วเดินต่อไปเนี่จะเข้ามาผล น, นิพพานได้มันจะถอยละถอยแล้วมาหาเส้นทางอีกเส้นหนึ่งหาใหม่หาหาไปนะ เ, ออเจอทางนี้ไปไปได้ละ พอไปได้สันี้นิดหน่อยๆนะพอรู้ทิศทางแล้วเลิกละเอาใหม่ถอยกลับใหม่จิตมันจะเวียนอยู่อย่างนั้นไม่เฉพาะคนเดียวนะมีเพื่อนด้วยมีเพื่อนด้วยบ่อยยิ้มอะไรบ่อยจิตน่้มันบังคับมันไม่ได้ถ้ารู้ทันมันก็พามันเรียนรู้ไปจนมันเห็นทุกข์ ถ้าเห็นทุกข์แล้วมันถึงจะเข็ดขยาดมันไม่เอาแล้วความรู้ไม่รู้จะเอาทําไมมีแต่ทุกข์ถ้าเห็นทุกข์นะถึงจะเห็นธรรมใจถึงจะยอมเข้าสู่ธรรมส่งกันบ้านเลยส่งกันบ้านหลวงพ่อครับช่วงนี้สังเกตรู้สึกคิดจับความคิดได้บ่อยครั้งขึ้นแต่ก่อนนี่นานๆครั้งหนึ่งในชีวิตประจําวันนี่คิดบ่อยมากอื คิดปั๊บก็จะรู้แต่ส่วนใหญ่จะรู้สึกเพอมากกว่าที่จะรู้ตัวนะครับจิตตั้งมั่นมากขึ้นแต่ถ้าหากว่ามีโอกาสได้คุกครีกับหมู่คณะตรงนั้นจะฟุ้งไปมากอครับที่พูดมาเป็นธรรมะทั้งหมดเลย <c oughs> ถูกต้องทั้งหมดเลยอย่างเช่นจิตรู้สึกตัวเนี่ยมีน้อยนะจิตหลงมีเยอะหลงนานรู้น้อยรู้แวบหนึ่งหลงนานนาน จิตบังคับไม่ได้ถ้านะไปคลุกคลีกับหมู่คณะจิตก็เสียครับมันต้องคิดมันต้องพูดต้องเล่นจิตเสียเราะนั้นไม่คลุกคลีแต่ไม่คลุกคลีไม่ใช่แปลว่าหนีเขา้าถ้าไม่คลุกคลีหมายถึงว่ามีธุระจะพูดก็พูดนะแต่พูดไปเราก็รู้ทันใจของเราไปครับที่ภาวนาอยู่ใช้ได้ละครับนะแต่ว่ามานั่งหน้าหลวงพ่อมันเกินจริงนิดหนึง่งมันแข็งเกินจริงไป เอาน้าไปเดี๋ยวนี้คนรู้เรื่องเยอะนะใจตื่นตื่นตื่นขึ้นมาเต็มไปหมดเลยหลังจากที่ปฏิบัติแล้วนะคะก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งในชีวิตประจำวันเราฟังใครพูดอะไรซึ่งบางอย่างเรามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะต้องไม่พอใจหรือว่าจะต้องเอาเรื่องนี้มาพูดต่อเพื่อให้มันเรื่องยืดยาว แต่พอตอนนี้มันก็หยุดพอรู้ว่าเราเริ่มไม่ไม่พอใจล้วหยุดมันก็ไม่ต้องต่อแล้วออค่ ะ, <ด>คะสบายภาวนาอย่างเงี้ยสบาย <laughs> ะ<ฮ>ะบางคนภาวนาแล้วฟุ้งนะภ <laughs> าวนาแล้วอยากเล่าอยากเล่าให้คนอื่นฟังทนไม่ได้นะอยากเผยแพร่แล้วใครรู้ใครดูอ้าวเอาสมกันบ้านก็ <laughs> ช่วงนี้ทําในรูปแบบมากขึ้นนะคะหลวงพ่อ ก็รู้สึกว่ามันมีกำลังมากขึ้นแต่ว่าพอเมื่อวานก็เห็นว่ามันก็เสื่อมได้จิตมีโมหะด้วยไหมวันนี้มีโมหะด้วยจิตมีโมหะเมื่อวานก็ตั้งแต่เมื่อวานมีโมหะรู้ว่ามีโมหะไปคุณตรงเห็นเห็นว่าความสัมพันธ์มันเป็นกระจกเงาให้มองย้อนมาหาตัวเองครับอะไรนะอะไรเป็นกระจกกความสัมพันธ์เวลาพูดคุยกับคนนะครับจริงๆผัสะ ผัสสะมันทําให้เกิดการทํางานของจิตใจถ้าทํางานแล้วไม่มีสติอากูศลก็เกิดทํางานไปแล้วเรามีสติรู้ทันอย่างเราพูดคุยกับคนเนี้ยจิตเราเกิดกิเลส ท, ที่มัเรามีสติรู้มันได้ปัญญาฉะนั้นเราไม่หนีผัสสะแต่ว่าเราก็ต้องมีผัสสะในขอบเขต ท, ที่ที่รับไหวที่รับไหวอย่างเป็นพระหนุ่มเน้นน้อยเนี้ยไม่กลัวผัสสะเลยไม่ได้ เห็นสาวก็จะดูลูกเดียวนะตายเลยนะสู้ไม่ได้เพราะมีขอบเขตหรืออย่างเราเป็นครวาดถ้าเราครุกคลีมากก็ไม่ดีภาษะเยอะไปก็ไม่ดีถ้าทัษน์ศรกำลังพอดีพอดีจิตใจเราตั้งมั่นพอสมควรนะใช้ได้ดีละของคุณนะสติสมาธิปัญญาอะไรมันทำงานได้ครบแล้วดีละนี่ก็สมาธิดีขึ้นเยอะเลยนะมีละสติสมาธิมี มีแต่รู้มากๆเห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงเห็นการทํางานของจิตใจมันไม่ใช่ตัวเราเห็นมากๆปัญญามันจะเกิดสติสมาธิปัญญาแก่กล้านะมกักมันจะเกิดเกิดเองครับก็ตามดูเรื่อยๆครับก็อาทิตย์ที่ผ่านมาดีกว่าที่ก่อนมัดีึ้นิดหนึ่งพุดยกใหม่ใกล้อาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกว่ารู้ตัวได้เร็วขึ้นนิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็มี เผยยาวบ้างแล้วก็สั้นบ้างเปน็นช่วงๆครับดีนะที่ภาวนาได้หลักแล้วใช้ได้ดูไปเถอะหลวงพ่อไปหัดอย่างหลวงปู่สามเดือนแรกยังสู้พวกเราตอนนี้ไม่ได้นะสามเดือนแรกยังภาวนาสู้พวกเราตอนนี้ไม่ได้เลยอ่ะคุณมนหลวงพ่อถามวนรู้สึกว่ามนวนรู้ห่างๆมากขึ้นนะคะเข้าไปคลุก ข, ข้างในน้อยลงแต่ก็ยังมีตรึงๆไว้หน่อยนั่นแหล่แหละปัญหาอยู่ตรงนั้นแหละ มันไม่ปล่อยอะหลวงพ่อมันกลัวไม่ดีใช่แต่ว่ามันรักดีเกลียดชั่วรักแต่ว่าเวลมนเผลอมนจะรู้สึกว่ามันก็อยู่ห่างมากขึ้นนะคะเหมือนกับมันไม่ไม่เข้าไปอยู่ข้างในมากอแต่ไม่ใช่แบ่งจิตเป็นชั้นนอกชั้นในแล้วชั้นในรักษาไว้ไม่มีอะไรกระเทือนเลยนะอมันคงกําลังเป็นอย่างนั้นนัเองมันแกล้งมันแกล้งทําข้างในให้นิ่งเหมือนกับบางทีมันแกล้งไปเหลือบดูนู่นนี่ใช่แกล้งทําเป็นเหลือบดูนู่นดูเนี่นะแมนฟังไว้นะมันแกล้งทําอ่ะ แกล้งทำเป็นพิจารณากายแกล้งทำส่งจิตไปข้างหลังแกล้งม้างกายเวียงไปเวียงมามันแกล้งหมดเลยตัวนี้มันนิ่งอยู่แล้วมันแกล้งแก้งไปเวียงเียงที่ปลายความรู้สึกที่ข้างนอกๆแล้วเมื่อไหร่อย่างเนี้ยมีปัญหาแล้วเมื่อไหร่มันจะมันจะไม่ต้องเลิกปฏิบัติแล้วหายถ้ายัางคิดว่าเราจะปฏิบัติอยู่แนละเราเคยชินที่จะไปตรึงตัวนี้ไว้ต้องใจถึงถึงนะตัวนี้ต้องใจถึ ง, นะ ง, ถงมากๆเลย ลุกขึ้นร้องคาราโอเกะให้พักพวกฟังหายเนี่ยรู้สึกไหมยังไม่ทันร้องเลยมันหายไป 70% อร์เซแล้วก็พอหัวเราะมันก็ลืมไปเลยใช่แต่พอพอหยุดหัวเราะมันก็กลับมาใหม่เออไม่เอาอย่างนั้นเดี๋ยวเคยตัวเคยตัวแล้วแก้ยากที่สุดเลยมันมันมาเป็นตอนนี้ค่ะหลวงพ่อตอนที่มณเผลอไปทำบุญไงคะแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าอุยมณฑ์จะไม่เผลออีกแล้วอย่างเงี้ย ก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้นะนั่นแหละให้เพลอๆไปเผลอแล้วเรารู้ทําบุญแล้วเพลิดเพลินมีความสุขรู้นะไม่ใช่กลัวมันเผลอไปวิ่งทําบุญไปกลัวมันแล้วไปตรึงไว้นิ่งๆไม่ดีหรอกทําบุญก็ดีกว่าทําบาปนะไปแล้วมันเผลอเผลอยาวก็ได้เป็นเทวดาเพลิดเพลินถ้าให้รู้ทันมันว่าเพลิดเพลินดีกว่ากลัวเผลอแล้วไปตรึงไว้ ใช่ถึงถึงนะมันเพิ่งเป็นไม่นานนิ่งเพิ่งเป็นอาทิตย์นิ่งส<น>องอาทิตย์เพิ่งเมื่อเมื่อจะสิ้นปีเนี่แะค่ะเออเนี่ยนนะเพิ่งเป็นไม่กี่วันนิ่งวันนี้มีโมหะแต่ก็รู้ว่าจิตมันมีความตั้งมั่นมากขึ้นอืใช่มีโมหะใช่ขอบคุณมนนะไ ม, ม่ลืมลืมไปกลัวมากไปแล้วมันไปเกร็งเกรงขอบคุณวุฒิไม่มีปัญหาอะไร มันทันทีมีบททดสอบของอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ก็ผ่านไปตรงที่ว่าเราก็ไม่ทุศีนเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกใจมันว่างๆก็เลยจะดูว่ามันจะว่างไปสักเท่าไหร่กันก็ปรากฏว่าในอีกอาทิตย์เออในอตวันสองวันถัดมาก่อนหน้าที่จะมาหลวงพ่อเนะะีคะได้คุยกับคนที่มีอัตราสูงมากแล้วก็รู้สึกว่าเรามีโมหะโมหะเต็มไปหมดแล้วโทสะเนี่ยเต็มมาก แล้วก็เลยถามตัวเองตอนที่จะมาหาหลวงพ่อว่ามันเกิดจากเขาหรือเกิดจากตัวเราที่มีโมหะอยู่นี่ก็เลยรู้ว่ามันเกิดจากตัวเราแล้วก็ดับมันซะแค่นั้นเองดีดีเอาสมาข้างหน้าโวอยู่เนี่ยรู้สึกช่วงช่วงนี้เขาเหนื่อยอะคะ่ะแล้วก็มันเหมือนกับมันอยากจะไหลกระจายออกไปอะคะ่ะหลงๆอะไรอยากจะหลง แ, <ต>แล้วก็แต่ไม่มากหรอกใช้ได้ค่ะแล้วโดยโดยปกติเขาก็ชอบทํา ถ้าอยู่คนเดียวก็ปฏิบัติชอบปฏิบัติแล้บางทีนอนอยู่เฉยๆยังจีบเขากริ๊กแบบจะเรารู้ว่าเขาจะไปทําอะค่เป็นอยู่ไม่หายไ ม, ไม่ไม่ลืมปฏิบัติไม่ยอมลืมไม่ไม่ไม่เป็นไรตอนเนี้ใช้ได้ละมันเกินจริงอยู่นิดหน่อย <c oughs> คือการปฏิบัติเนี่ยเบื้องต้นนะมันต้องเกินจริงนิดๆถ้าเบื้องต้นกะจะทําทให้พอดีเป๊ะๆแล้วมันจะหย่อนไปนี่เกินจริงมานิดหนึ่งนิดเดียวขนาดเนี้ยพอใช้ได้ ถ้าเกินจริงมากอย่างคุณมนนี่ใช้ไม่ได้มันเกินจริงมากไปถ้าเกินจริงนิดนิดตึงไว้นิดนิดเนี่ยแล้วก็ตามรู้ตามดูไปพอมันเหนื่อยนะมันหย่อนลงมามันพอดีเลยมันเลยไม่ได้จงใจแล้วมันพอดีแต่ถ้าเบื้องต้นจะกะทําให้พอดีนะไม่มีวันพอดีเลยไม่มีวันพอดีเพราะว่ามันตั้งใจจะทําเมื่อไรทำเมื่อนั้นไม่พอดีหรอกเอาต้มส่งกันบ้าน แล้วครับที่ว่าที่ว่าเริ่มรู้ตัวว่าไม่ได้ไม่ได้ส่งใจจะไปพ้นทุกข์จริงๆอะไรนะไม่ได้ตั้งใจจะพ้นทุกข์จริงๆในการภาวนาไปหาความรู้เฉยๆกันบ้านที่ส่งครับอ่าเบอร์หกเอาไหมไ ม, ไม่เอาก็ส่งต่อเพิ่งมาใหม่คะ่ะหลวงพ่อเออมาใหม่ไม่เป็นไรอะครับพึ่งมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกอะคะ่ะแต่เคยฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็พยายามที่จะรู้ตัวแต่ว่ารู้สึกว่า ก็ยังหลงทั้งวันยังยังปฏิบัติได้ไม่ถูกอะค่ะกลัวหลวงพ่อแล้วมันทำให้เราลืมตัวเองนึกออกไหมเราลืมดูกายดูใจตัวเองกลัวหลวงพ่อแล้วก็เกรงเกรงไว้ใช้ได้ที่ทำอยู่เนะี่ยดีละขอบคุณค่ะบางทีหลวงพ่อถามสภาวะนะหลวงพ่อต้องการดูว่าเจ้าของอดูออกไหมถ้าเจ้าของดูออกก็ใช้ได้เจ้าของดูไม่ออ ก, กใช้ไม่ได้ เหนูนั่ ง, งพยายามหัดรู้สภาวะเหมือนที่หลวงพ่อสอนนะคะพอได้ยินคนอื่นพูดว่าเออนี่ผิดอย่างนี้ผิดอย่างนั้นเนี่ยมันจะแบบกังวลขึ้นมาเลยค่ะหลวงพอ่ออย่ากังวลนะคนมาส่งกันบ้านหลวงพอ่อหลวงพ่อไม่ไม่เคยว่าเลยนะอะถ้ารู้สภาวะเป็นไงอย่างกังวลรู้ว่ากังวลเออดีนะสอบผ่านแนละ้สอบผ่านง่ายนะไม่ยากหรอก คือเหมือนกับเวลาอยู่ที่บ้านเหมือนเป็นโรคขี้กลัวะคะ่ะว่าอ๋อเวลาหลวงพ่อบอกว่าอันนี้ผิดเราก็จะแบบเราเป็นเหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นไม่ต้องกลัวหรอกเป็นเป็นอะไร <laughs> ใช่หมครัเป็นหมดแหละเรเป็นทุกคนนะเ <c oughs> มื่อไรถูกจริงๆก็บรรลุมรรคผลนิพพานไปแล้วละงั้นไม่ต้องกลัวผิดนะภาวนายังไงก็ผิดแล้วมันผิดสุดตรงอยู่สองข้างอ่ะไม่เผลอไปก็บังคับไว้มันมีอยู่แค่นี้เอง นี่รายละเอียดเสือไปไหนเสือไปหลงโลกเลยหนะลงไปแล้วเกิดกิเลสขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่รู้ไม่เห็นจิตใจถูกหลอกลวงไปพวกหนึ่งอยากดีนะเข้ากรรมฐานเข้าคอร์สบังคับกายบังคับใจฟูมอกฟูมใจอิ่มอกอิ่มใจนะก็เผลอเหมือนกันหน้าไปเผลอเพ่งไว้เผอบังคับตัวเองจิตใจเรามันอดปรุงแต่งไม่ได้มันรักตัวเอง ถ้าเมื่อไรสติปัญญารู้ลงมาถึงกายถึงใจจริงๆเห็นว่ามันไม่ได้น่ารักนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันของไม่เที่ยงมันของเป็นทุกข์ล้วนๆมันไม่ใช่ตัวเราเลยมันไม่ได้น่ารักใคร่ยินดีเขาไม่รักแล้วนะมันหวังแต่ถ้ามันยังรักกายรักใจอยู่มันก็ปฏิบัติไม่เลิกหรอกไม่ต้องกลัวนะยังไงก็ผิดแต่ผิดแล้วเราก็เรียนรู้ไปเออทำอย่างนี้ก็ผิดนะลองอย่างอื่นดูนี่มันอดลองไม่ได้หรอกลองๆไปอ้าวผิดอีกแล้ว ทดลองอีกลองไปลองมาในที่สุดจิตมันสรุปเลยอะไรก็ผิดหมดเลยปลุงเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นน่ะถ้าให้มันเรียนไปจนมันขยานเลยช่วงนี้รู้สึกว่ามันขี้เกียจอะเจ้าค่ะหลวงพ่อทั้งๆ ท, ท, ที่พอแต่พะรู้สักพักมันก็กลับมาเพ่งอีกอะค่ะแล้วก็บางทีรู้สึกว่าทอ้อเจ้าค่ะหลวงพ่อขี้เกียจให้รู้ว่าขี้เกียจนะท้อให้รู้ว่าทอ้ทอท้อมันท้อได้ทุกคนแหละนี่ครูบา ก็ก่อนอยู่ภาวนาอยู่บุญญาวาด น, ะนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเนะี<ม>่ยก็ภาวนาดีถต่มาไปเห็นจิตข้างในมันไหวๆพวกเราเคยเห็นไหมมันไหวยิบยับยิบยับอยู่ข้างในนะไม่ไปสนใจดูแลเสร็จแล้วพักพวกมาถามหลวงพ่อนะว่าตอนนี้อาไปภาวนาบุญญาวาสนานแนละ้วไม่เคยออกมาหาหลวงอาเลยนะตอนนี้จิตเป็นยังไงบอกจิตไม่ได้เรื่องหรอกไปหลงไปดูไหวๆอยู่ไหลเข้าไปดู อนึกว่าดูไม่ชัดนะดูใหญ่เพ่งหนักกว่าเก่าอีกนะหลวงพ่อบอกมาหาหลวงพ่อนะตอนหลังหลวงพ่อบอกไม่ได้หรอกอย่างนั้นไม่ได้นะไอที่ทําอยู่มันผิดให้ไปดูส่งจิตไปดูดอกไม้จิตถลําไปจ่อไว้ที่ดอกไม้เลยะให้ไปดูอะไรจิตก็ถลําไปจ่อนะั้นเลยเพราะไปฝึกจ่อเข้าไปข้างใน พอทำอะไรก็ผิดทําอะไรก็ผิดหลวงพ่อบอกตอนนี้หยุดปฏิบัติไปก่อนหยุดก่อนไอ้ที่ทำอยู่มันผิดอย่าเพิ่งทําให้หยุดไอ้สิ่งที่ทําอยู่อาร์ฟบอกว่าไอ้ที่ทําอยู่มันก็แค่นั่งสมาธิเดินจงกรมใช่ไหมงั้นต่อไปนี้เลิกปฏิบัติไนปะอยู่ที่บุญยาบ้าลแล้วเลิกปฏิบัติไปหลวงพ่อไม่ได้เลิกปฏิบัติซะหน่อยอยาให้จงใจปฏิบัตนะินี่ไม่สื่อความหมายกันกลายเป็นเลิกปฏิบัติใจเลยฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านเลยท้อเลยนะ ทักพวกมาบอกหลวงพ่อบอกตอนนี้อ้ามันไม่ภาวนาแล้วอามันไปทำปลูกสวนท้ออยู่หลวงพ่อก็บวยวายทำไมมันไม่ภาวนาทำไมมันไปปลูกสวนทอ้อนะนึกว่าไปปลูกลูกท้อจริงๆนะเห็นชอบปลูกต้นไม้ท <laughs> ักพวกบอกไม่ใช่ท้อแท้ท้อแท้เวลาภาวนานะาหมดอดท้อแท้ไม่ได้หรอก หลวงพ่าเคยท้อแท้ทีหนึ่งนะทีเดียวเลยภาวนาอยู่สวนโพรแล้วนะบวชแล้วนะโหตะลุมบอลทั้งวันทั้งคืนเลยนะดูจิตเนี่ยหมุนจีจีติวติวติวยงเงี้ยค้นคว้าพิจารณาอยู่ตลอดเลยนีทำไปทำไปจิตวางปับว่างวาง่าเออตรงนี้ถ้าจะใช่แล้วอยู่ไปหลายๆวันไม่ใช่อีกละมัวมั ว, มวได้อีกนี่นิพพานเก๋นนะมัวมั ว, มวได้อีก ทำไปอย่างโ้นก็ผิดทำไปอย่างนี้ก็ผิดนะมันอดไม่ได้หรอกที่จะทำอะ่ะถึงจุดหนึ่งโอ้ทำไงก็ไม่ได้วาสนาคงได้แค่นี้แล้วชาตินี้ได้แค่นี้ก็แค่นี้ละะก็แค่รู้ไปสบายๆทอแล้วก็ไม่เลิกนะทอแล้วก็เออช่างมันเถอะไม่หวังผลแล้วพอไม่หวังผลแนละ้วไม่ทอนะแต่ไม่เลิกนะถ้ายัางหวังผลอยู่ตะกายกระเดกกระแดกกระแดกไม่ได้มาแล้วทอเนี่ย ถ้าไม่หวังผลเราไม่ท้อหรอกแต่ว่าไม่เลิกเอกขี้เกียจนะขี้เกียจเป็นข้ออ้างข้ออ้างของคนไม่รักตัวเองข <c oughs> ี้เกียจปฏิบัติอา้าวแป๊มตรงกันบ้านวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรอะคะ่ะหลวงพ่อรู้ว่าวันอังคารที่มากราบหลวงพ่อในหลวงพ่อชมก็จิตมันก็ปลื้มไปนานนะคะแล้วหลังจากนั้นก็หลงไปกับเรื่องการเมืองซะมากอะคะ่ะ <c oughs> แล้วขนาดนี้หละขนาดนี้ล่ะคะรู้ตัวยังรู้ตัวอีกแล้วค่ะรู้ตัวอีกแล้วเหรอมันเป็นอีกแล้วว่ะค่ะหลวงพ่อเป็นอะไรมันปิติอีกแล้วว่ะค่ะเออให้รู้ทันนะไอ้ตัวนี้เกินให้รู้ทันนะปิตินี่เป็นส่วนเกินละรู้เฉยเฉยไม่ต้องไปว่ามันหรอกใจเราไม่ตั้งมั่นรู้สึกไหมเรมีปิติละพองออกมาโป่งๆออกมาแล้วมันกระจายออกมาข้างนอกค่ะ ให้รู้ทันว่าใจมันกระจายออกมาข้างนอกดูออกหรือยังค่ะดูออกแล้วให้รู้ว่ามันกระจายไม่ต้องดึงนะแค่รู้ว่ากระจายแค่นั้นพอล ะ, อะส่งต่อไปเพิ่งหัดหัดรู้ตัวเจ้าค่ะก็ยังไม่ทราบว่าทาพอจะเป็นหรื อ, อยังแต่ตอนนี้ตื่นเต้นเจ้าค่ะเดีวตื่นเต้นให้รู้ไปน ะ, ะเวลาเราหัดรู้ตัวเนี่ย ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราก็ค่อยรู้เอาอย่าปิดจ่องไว้ก่อนน ะ, ะแล้วอย่าตั้งอกตั้งใจเยอะดูเล่นเล่นดูไปเล่นเล่นดูให้สบายต้องสบายกว่านี้น ะ, ะตอนนี้เครียดเกินไปตึงเครียดไปนิดนึงดูออกไหมเจ้าค่ะเออต้องอย่างนี้ค่อยคลายออกแล้วเหมือนจิตมันเล่นมายากล น, นะคะอไอ้ที่แบบว่าเหรียญเดี๋ยวก็ออกมาจากตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ เวลาปฏิบตัติมันก็มีเหรียญอันหนึง่งทีนี้เราเหมือนกับแบบจะวางปล่อยสลัดออกไปมันก็กลายเป็น อ, อ, อีกตัวหนึ่งที่ขึ้นมาแบบจะไม่ปฏิบตัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีเหรียญออกมาตลอดเวลาดีแล้วนะยังมันยังไม่หลมเลิกรู้สึกไมมใจมันเกินจริงทําไมมันเกินจริงเพราะมันยังรักที่จะปฏิบัติอยู่นะมันมันหวังผลนะ่ะอยากได้เร็วๆกลัวว่าเนิ่นช้าแล้วเสียเวลามาก พออยากได้เร็วๆมันเลยแข็งๆขึ้นมามันทำให้ช้านะใจถึงๆนะใจถึงๆๆนะง่ายยิ่งอยากยิ่งดิ้นยิ่งช้า เ, เดิมเดิมเดิมก็เคยปฏิบัติหรือเคยฝึกมานะคะเคยมีความรู้สึกว่าที่เราเข้าไปรู้<ช>เข้าไปคิดเนี่ยเหมือนจิตเราเข้าไปรู้<ช>ไปเห็นกิเลสแต่เมื่อเมื่อเช้าเนี่ยค่ะมีความรู้สึกว่า เอ้เราเห็นเราเห็นคิดเมื่อก่อนเคยแบบพอพอพอคิดเนี่ยมันก็เอ้ยเรามีเราเราเป็นลูกกิเลสโลภกิเลสหลงอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ก็คือว่าจิตมันเคลื่อนไหวอ่ะค่ะมันแค่ไปเคลื่อนไปอืแต่ว่ามันมันหยุดแค่ตรงเคลื่อนละมันไม่ตามไปรู้ว่าเอ้ยนี่นี่นี่หลงนี่โลภอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วจิตขณะนี้รู้สึกตัวไหมค่ะรู้สึกรู้สึกตัวในขณะนี้รู้สึกตัวเต็มที่ยังตัวตอนเนี้นะคะก็คือ รู้รู้รู้กายว่าจิตหัวใจมันเต้นตุบๆนึกออไมเราใจเรามีความนิ่งๆิ่งอยู่อันหนึ่งมีตัวหนึ่งนิ่งๆิ่งแล้วเป็นคนดูอยู่เรื่อยๆรู้สึกไหมใช่ค่ะตัวนี้เกินขึ้นมาคือเมื่อเช้าเนี่ยจะเห็นว่าเอ๊ะสิ่งที่เราไปเคยมองว่าเราเคยมองจิตเนี่ยแต่ณขณะจิตที่เราเห็นจิตเนี่ยคือเราไม่มันไม่ใช่จิตนะคะมัน เลยไม่รู้ว่าเลยไม่รู้ว่าอะไรที่ไปเห็นมันยังไม่ใช่จิตนะะ <c oughs> มันยังไม่ใช่จิตเห็นจิตเราเห็นอย่างอื่นเห็นอาการของจิต <c oughs> เห็นอารมณ์หรือพวกเจตสิกเห็นอะไรพวกนี้ใจของเรามันยังไม่ตั้งมั่นตั้งไม่ถึงฐานของมันใจของเราเวลารู้เอย่างรู้นอกๆ น, นะ <c oughs> ใจมันกระจายออกไปรู้สึกไหมขนาดเนี้ย <c oughs> ใจมันกระจายไปให้รู้ทันว่าใจยังกระจายอยู่ดูออกไหม ดูออกค่ะคือตอนนี้เนี่ยเหมือนเหมือนมันเหมือนกับมีเราอยู่ในสภาพข้างนอกแต่ว่าถ้าเกิดว่า ใ, ในรู้สึกไหม<ถ>เราไปอยู่ข้างนอกเราไม่เข้ามาข้างในให้รู้ทันนะว่าใจเรากระจายออกข้างนอกให้รู้ทันตัวนี้ ค, นะคือถ้าใจขาดสมาธิเนี่ยสมาธิทิ้งไม่ได้นะสมาธิสําคัญนะใจต้องตั้งมั่น่ต้องตั้งถึงฐานของความรู้สึกตัวที่แท้จริงให้ได้ถ้าใจไม่ตั้งมั่นปัญญาจะไม่เกิดใจเราจะไปรู้อยู่นอกๆ น, นะมันจะรู้ไปเรื่อยๆ รู้ไปนานๆก็ไม่เกิดปัญญาคือคือเคยปฏิบัติมาเมื่อเป็นสิปีมาแล้วนะคะหลวงพ่อคือเกิดสภาวะธรรมที่เวลาปฏิบัติเราจะเกิด เ, เข้าไปมันจะเกิดจิตที่คือบางครั้งบรรยายไม่ค่อยได้อะค่ะแต่ว่ามันจะรู้ตัวว่ามันเกิดเหมือนเกิดความเบิกบานไปรู้ทุกข์เข้าไปอะค่ะอ <ม S 2> พอไปรู้ทุกข์เนี่ยมันเป็นเหมือนขนาดจิตหนึ่งที่เขาเราเข้าไปรู้เนี่ยมันจะมีความไม่มีความสุข แต่เหมือนกับเป็นความเบิกบานที่<ห>ที่คือแต่เกิดหลังจากนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าในขณะที่เราปฏิบัติอะเราไม่ได้เกิดแต่ว่าหลังจากที่เราปฏิบัติออกมาทำธรรมดาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าจิตของเราเนี่ยมันขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเวลาไปฟังธรรมะหรือว่าพระพูดอะไรเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วพอเราอยู่ๆไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าตอนนั้นก็คงคงค ง, งไม่ทราบว่ามันเป็นกิเลสที่แบบว่า เราไปหลงว่าเรารู้เราเคยเข้าไปรู้แล้วเราก็เหมือนกับเราประมาทไม่ได้กลับเข้าไปอีกนะคะทีนี้เนี่ยพอเราก็พยายามที่จะปฏิบตัติหรือว่าพยายามที่จะกลับเข้าไปตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งซึ่งมันคงเป็นบาปที่แบบว่าเหมือนกับเราอยากเข้าไปมันก็เลยไปพะวงกับอดีตใช่ใช่ค่ะคือวิธีการตอนนี้นะคือรู้ว่าใจไม่ตั้งมั่นเท่านะั้นรู้แค่นั้นพอแล้วนะอย่าดึง แปลว่าอะไรคะหลวงพอ่อไม่ต้อ ง, <ใจ S 1> งรู้รู้อยู่นอกๆแต่เรากระจายอยู่นอกๆให้รู้ว่าใจเรายังกระจายอยู่นอกๆรู้เฉยๆนะอย่าดึงเข้ามานะเนี่ยมันเข้าเองแล้วเข้าแล้วพอดีอแต่ถ้าจงใจดึงมาจะแน่นๆใช้ไม่ได้อึดอัดมีอีกข้อหนึ่งคะ่ะหลวงพ่อที่อยากจะเรียนถามคือว่า เ, เวลาปกติพอฟังซีดีของหลวงพ่อนะคะแล้วก็จิตเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติขึ้นมาเองว่า มันอยากจะปิดปิดอ่าปิดการก็คือเข้ามารวมจิตอยู่ที่ตัวนะคะแล้วพอนั่งไปเนี่ยมันเหมือนกับสภาวะที่เคยเกิดมันกลับมาอีกแล้วคือความันมันจะหมุนนะคะแต่เราอะรู้จิตเราเราเรารู้สตินะคะว่า <Yeah. S 1> เราหมุนแล้วเราเกิดเกิดจิตที่กลัว <Yeah. S 1> เกิด ทั้งโลภทั้งกลัวทั้งอยากปฏิบัติทั้งอยากผ่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะหมุนขึ้นเรื่อยๆมันก็กลัวขึ้นเรื่อยเราก็จะไปเห็นกิเลสที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอเราก็พอถึงจุดนะฮะแล้วมันเหมือนกับว่าเราแพ้และเราเราแบบเราลดเราถอยลงมาแล้วเราก็มาเดินเพื่อที่จะกำจัดสิ่งนั้นไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมันมันผ่านตรงนี้ไม่ได้เลยค่ะหลวงพ่อคืออย่าไปกลัวมันแล้วอย่าอยากผ่าน มันมันพอปฏิบัติแล้วมันก็มันกลัวเนี่ยมันเป็นความมันเป็นมันมันเหมือนกลัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะยิ่งเราไปตัดตไปรู้แต่สังเกตไหมถ้าเราอยู่ตรงนี้เหมือนไม่มีกิเลสเหมือนกิเลสอยู่นอกๆเลยนะไม่มีพิษสงเลยแล้วเราควรจะทำยังไงต่อคะหลวงพ่อให้รู้รว่าจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยรู้สึกไหมจิตใจกำลังท้อแท้ ให้รู้ว่าทอแท้รู้อย่างนี้แต่เป็นบางขณะนะคะหลวงพ่อถ้าบางขณะที่เรามีสติเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วเราก็จะภาคเพียนที่จะทําแต่บางอย่างเนี้ยแต่ตอนที่สนทนากับหลวงพ่อเนี่ยรู้ว่าตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยจิตมันไม่เหมือนกันอยู่ที่บ้านมันจะมันจะมีอะไรเข้ามากระทบเยอะซึ่งเราคุมบางครั้งเราคุมไม่ได้เราถึงต้องพยายามเข้าไปหาที่สถานที่ที่เรียนนะแค่นี้ก่อนหลวงพ่อเลยเวลาแล้ว น, นี่มนท่านอาจารย์ครับนีมนเอาโยมไปทานข้าวก่อนไป